พระบัญญัติภิกษุต้องอบัติปาจิตตีเพราะฉันคณะโพชนะสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระเทวทัตจบ